เข้าออกแล้วบางทีก็ไปพูดธรรมะตามโรงพยาบาลแล้วก็เข้าไปรักษาตัวบ้างมีโรคไปเคยเจ็บแต่ที่โรงพยาบาลเซลุยนิดไม่เคยมานะได้แต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปยังไม่เคยเข้ามาแล้วก็ออกไปทักทีวันนี้อาจจะเป็นวันแรก แต่ถ้าจำเป็นก็ไม่อยากจะเข้ามานะทำไมจาเป็นไม่อเข้ามานะมีญาติธรรมที่เป็นคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่บางโรงพยาบาลเวลาไปพูดที่ไหนเขาก็บอกว่าอ า, อาจารย์มาเที่ยวเล่นที่นีบ้างสิเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยมาเที่ยวเล่นอย่างนั้งโรงพยาบาลเนี่ยไปที่หน่ารื่นรมอย่างนั้นนะ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 ประวัติมื่อี้นี้ก็จะเห็นว่าทําไมเราจรึงต้องมาสนใจธรรมะเราจะมาสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่ออะไรกันมันก็เพราะมีเหตุะโดยปกติแล้วคนไม่ค่อยสนใจธรรมะไม่ค่อยมาจะปฏิบัติธรรมไม่ชอบเพราะว่ามันมันเหมือนยาขม มันฝืนความรู้สึกแต่ว่ามีความจำเป็นบางอย่างบางอย่างก็ต้องฝืนนะเพราะว่าสิ่งนั้นถา้ถาถ้าสิ่งนั้นมีประโยชน์ใช่มเวลาเราทานยาเนี่ยเราก็ไม่ชอบทานยานะยามันขมมันไม่อร่อยเหมือนขนมแต่ถ้ามันมีประโยชน์นก็จำเป็นจะต้องทานยาเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็จึงมียา เคลือบชอโโอ็อกโกแลตมันก็มันเป็นเหยื่อล่อใเราต้องทานแบบที่ไม่ต้องลำบากมาเดี๋ยวนี้ธรรมะก็เหมือนกันธรรมะ ก, ก็ต้องมีการเคลือบช็อโกโกแลตบ้างบางคนจะไม่ค่อยสนใจอย่างในภาพยนตร์สารคดีจิตสดใสแม้กายพิการนี่ก็สาเหตุมาจาก ความทุกข์กันนะผมเองก็ไม่ไม่คิดว่าจะต้องมาใช้ชีวิตที่พิการอย่างนี้ชีวิตมันก็มาดีแล้วเราน่าจะมีชีวิตที่สดใสต่อไปในวันข้างหน้าไม่ถึงว่าก่อนที่จะประสบบัติเหตุนะแต่พอหลังจากที่เคราะลร้ายประสบบัติเหตชีวิตึงกระทั่ง ร่างกายต้องพิการกระดูกต้นคอสี่ห้าข้อที่ห้านี่ฮัมันก็มีผลทำให้ร่างกายส่วนล่างจากระดับคอลงไปเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกสมวนมกจะไม่รู้สึกเอาเข็มแทงก็ไม่เจ็บเคลื่อนไหวโด้เฉพาะหัวไหล่แล้วก็แขนซึ่งใหม่ๆเนี่เคลื่อนไหวไม่ได้เลยอาศัยทำกายภาพ แต่จมทำให้ร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นมาบ้างในส่วนที่มันสามารถจะพัฒนาได้ตั้งแต่หัวไหล่ลงไปไม่รู้สึกสึกน้อยปัสสาวะอุจจาระอะไรก็ไม่รู้สึกควบคุมการขับถ่ายอะไรไม่ได้อัที่สมบูรณ์สุดก็คือที่เนี่ยบริเวณศีรษะเนี่ยน่าจะสมบูรณ์ที่สุดพอจะใช้ประโยชน์ได้ มันก็ดีนะในส่วนนี้มันเรายังมีส่วนที่เรายังได้มีสมองได้คิดยังได้คิดยังได้ตั้งสติตั้งตัวเองใหม่ได้แต่ผมก็ใช้ชีวิอตอย่างนี้มาสามสิบสามปีส3สบสามปีในสภาพร่างกายที่พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ก็เป็นสามสามปีที่มีคุณภาพสำหรับตัวเราเอง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 มันก็มืดมนอนตะการนะมองข้างหน้ามันก็หมดหวังมองข้างหลังก็เสียดายเอาชีวิตที่เป็นความคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างนะมาทับถมชีวิตปัจจุบันจนเกิดความทุกข์พอทุกข์จนพอเพียงแล้วมันก็ไดยต้องหาทางออกกระดินไม่ทุกข์พอเพียงมันก็ตนไม่ได้นะ มางคนถึงกับฆ่าตัวตายเพราะทุกข์มันพอเพียงแล้วมันไม่ไหวทนไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายไม่งั้นก็อดทนหน่อยอาจจะเป็นโรคจิตโรคประสาทก็ได้เราก็เลยหันเหชีตมาสนใจกับธรรมะเพราะว่ามันหาทางออกไม่ได้ว่าไม่รู้ทางไหนที่มันจะสามารถแก้ปัญหาตัวเองได้นอกจากธรรมะอย่างเดียว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 ทุกทำให้เกิดศรัทธาสัตธาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจพ้นจากความทุกข์ถึงไม่พ้นมันก็ยังได้อะไรบ้างติดเนื้อติดตัวไปนั่นแหะต้องตายอยู่แล้วเนี่ยอยู่ได้ไม่นานก็เลยนหันมาทางธรรมะเลยเนี่ยว่าศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติศึกษาอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่สำเร็จประโยชน์นะนรู้ธรรมะอ่านหนังสือธรรมะแต่ไม่เข้าใจธรรมะเลย รู้จำรู้จักแต่มันยังไม่รู้จริงยังรู้ไม่ถึงจิตถึงใจรู้แต่รอบรอบนอกมันก็แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้จ้องต้องมีการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาสนใจธรรมะใ น, นแง่ขอธรรมะปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ฝึกสติฝึกมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเอง ก็เข้าใจเรื่องของกายเรื่องของจิตต้องอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนอาศัยกํำลังใจกําลังใจสำคัญนั่นคือครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นกํำลังใจที่ดีแล้วก็ได้รับกําลังใจจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อกําเขียนกําลังใจว่าคนพิการนี่มันก็ปฏิบัติทาได้เนี่ยคนี้เป็นคาที่ทาให้เรา เปลี่ยนชีวิตจากความคิดที่ว่าไม่ได้มาเป็นได้ขึ้นมาเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้แต่อย่างน้อยก็ได้ทำาให้มันได้ทำานยะถ้าได้ทำนี่ผลจะเป็นยังไงนี่ค่อยว่ากันที่หลังพอได้ทำนี่มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้จักตัวเองแล้วก็สามารถแก้ปัญหาตัวเองได้ จากทุกมากเป็นทุกน้อยต่อไปมันก็กค่อยๆคลายคลายจิตคลายใจคลายทุกขทางด้านจิตใจส่วนร่างกายก็อยู่สภาพอย่างนี้แหละสภาพที่มันไม่ค่อยสะดวกแต่มันแปลกนะเนี่ยพอปฏิบัติ ท, ทําแล้วเนี่ยเรามีปัญหาแบบเนี้ยร่างกายพิการเนี่ยผมมองไม่เห็นคนวายพิการของผมเลย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 ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอย่างคนที่สมมติว่าคนที่มารับบริการเนีย่ยมารับบริการเราคือผู้ที่ให้บริการให้การบริการคำรับบริการสมม่วนมากจะเป็นคนที่มีปัญหาเกือบทั้งนั้นต้องการความช่วยเหลือมีความทุกข์แต่นั่นร่างกายมีความป่วยไข้าทางร่างกายบางที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 โรคทางจิตมันก็มีเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้จิตแพทย์ผลิตไม่ค่อยไหวเดี๋ยวนี้มีมากมายบางคนเป็นโรคทั้งทางกายแล้วก็โรคทั้งทางจิตเนี่ยวควบคู่กันไปเลยเนี่เป็นผู้ที่จะต้องมาเข้าบําบัดที่ดีทั้งนั้นแหละคุณหมอคุณพยาบาลก็ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ได้กานประโยชน์เจ้าหน้าที่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 แหลงแห่งบุญเราก็อาศัยทำบุญโดยการช่วยเหลือทาหน้าที่ได้ใจมีใจโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลก็คือโรงาบลก็รงพยาบาลก็ยบลก็คือลกงาบกราก็กการาบางานทีกนี่ก็คือากรารมาทางาบุญก็คาทาก็คือาบุญกจคราลก็ราก็คืราบ็ราบารงาบาลก็คืรงาก็คืราลก็ครก็คงาควา ม, มวาลกครากคยาลกคืยาลก็คือาคือยกากอยาลก็คยาน่ือยก็ไม่เปา็นไรหยอรยก็อก็ลายรา แต่ใจเรามีความสุขเนีบางคนทําบุญจนเพลินจนเปลีปยบุญก็มีนะเปลียบุญกลับบ้านในห่นอนงายเลยแต่อย่ามองตรงที่เราเหนื่อยจงมองว่าโอ้วันนี้เราทํางานได้เยอะนีวันนี้เราทําบุญได้เยอะมันหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยวันนี้เราทําบุญได้เยอะเราทํางานได้เยอะหายเหนื่อย มันก็มีความสุขบุญเป็นความสุขทนั่นจิตใจความสุขนั้นเกิดจากบุญอันนี้มันมันเป็นบุญที่เป็นปีติบางทีน้ำตาไหลแต่เป็นน้ำตาเย็นน้ำตาเย็นนี่กื น, น้ำตาจะเกิดจากการปีติปลืม้มออกลื้มใจถ้าน้ำตาร้อนแสดงว่ามีความเศร้าหมองมีความทุกข์ใจเราเคยไหมบางทีเราได้ได้ฟังแล้วรู้สึกแบบปลืม้มปีติ น้ำตาไหลคนลุกจูใจบางทีน้ำตาร้อนมีความเศร้าโศกเสียใจร้อนอกร้อนใจเนี่ยคือน้ำตาก็ไหลเหมือ่กันนะร้องไห้หน้ำตาร้อนแต่คนที่ไม่มีน้ำตาเย็นน้ำตาร้อนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนี้มีน้ำตาเทียมน้ำตาเทียมมันก็ช่วยได้นะ แค่เราวางใจถูกต้องเนี่ยเราก็มีความสุขในการทํางานได้ในการปฏิบัติธรรมคือทำหน้าที่ที่นี่แหละมันมีความสุขอีกอย่างหนึ่งอยากจะเสนอในการทํางานในการทําหน้าที่ในการใช้ชีวิตด้วยซ้ำไปนี่ว่าคําพูดเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่โรงพยาบาลเซนหลุยเนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็นที่ทดลองกัน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 ปกติเวลาเราเริ่มตั้งใจทํางานเนี่ยบางทีจิตมันไม่ค่อยตั้งอะจิตมันก็จะไปคิดเนี่ยมันจะคิดฟุ้งซ่านสังเกตดูไหมมันจะไม่อยู่กับงาน <c oughs> จิตมันก็จะไปตามเรื่องตำราวของมันก็คิดไปแดนงานอยู่ตรงนี้กายอยู่ตรงนี้แต่ใจเราเนี่ยมันออกนอกแดนงานหลายครั้งเนี่ยพอเริ่มต้นมันถ้าจะดีต่อไปไม่รู้ใจเราหายไปไหนร่างกายแล้วก็ทํากันไปแบบ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 นี่แหละใจมันคิดกัรวิตกกวลตรงนี้การทำมันให้เกิดความทุกข์ไอ้ความคิดที่มันปรุงแต่งออกนอกอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยมันดึงออกับความทุกมาสู่ใจเรามากมาเนี่ยแสดงว่าใจเราไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งอยู่กับแรงงานก็จะไปยี่บ่อยครั้งเราก็จะทํางานแบบไม่ค่อยมีความสุขเพราะจิตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับแรงงานตรงนั้นมันก็ไม่มีความสุขก็ไปเรื่อย เนี่ยเขาเรียกว่าทำงานแบบไม่ค่อยมีความสุขเพราะใจลอยออกมาจากแดนงานของเราแต่ถ้าเราสามารถดึงจิตดึงใจให้มาอยู่กับงานได้เมื่อไหร่แล้วก็ขณะปัจจุบันเนี่ยมันปัญหาไม่เกิดมันเพลินอยู่กับการทํางา น, นจะใ ส, ตสะต่ตัวสติตัวสติเป็นผู้โยงจิตโยงใจมาอยู่กับเนื้องานอยู่กับกายอยู่กับแดนงานของเราโยงอยู่ตรงนี้สติ เพราะสติดึงกลับมาสมาธิเกิดการตั้งมั่นเนี่ยตรงนี้แหละมันจะมีความสนุกมีความเพลิดเพลิน อ, อยู่กับงานบางทีลืมลืมเวลาลืมทานอาหารลืมหิวก็มีนะเพราะเพลิน อ, อยู่กับงานลองตรงนี้สักหน่อยเนียเยลงพยายามยตั้งใจเวลาใจมันหลุดลอยไปอ่ะเหลือแต่กายกับงานแล้วก็มนรู้ใหม่มารู้กับการทางาน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 ไม่ใช่ว่าเราจะมาใช้เฉพาะงานในโรงพยาบาลอย่างเดียวนะเราสามารถเอาสติรู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยไปใช้ไปใช้ในที่ไหนก็ได้ในชีวิตประจวันไม่ใชร่รอใครสักคนหนึ่งการรอคอยเนี่ยมันมันเป็นเวลาที่ที่เลวร้วายมากบางคนไม่ชอบการรอคอยเพราะรอคอยแล้วจิตใจมันบีบคั้น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 เอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่นถ้าเขาไม่มาเราก็ทุกข์เขามาเราก็สุขอย่าไปรออย่างนั้นมารู้สึกเอานิ้วสัมผัสกันนิ้วจกีกับนิ้วมือในมือเดียวกันสัมผั ส, สกันถูกรันเบาๆเนี่ยสติรู้อยู่ตรงเนี้ยได้เป็นการปฏิบัติธรรมในขณะรอคอยอาจจะบรรลุธรรมรู้กาย ร, รู้จิตสิ้นทุกข์ขณะที่รอคอยก็ได้นั่นเรามีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมได้ ทุกขนาดจิตอย่าประมาทไปเนี่ยมันทำได้การรอคอยการนอนไม่หลับเนี่ยเดี๋ยวนี้นอนไม่หลับก็เป็นโรคคิดนะนอนไม่หลับ <c oughs> กระสาบกระสายก็เพราะความคิดความคิดมันพาจิตเลิดออกนอกไปปรุงแต่งก็เลยนอนไม่หลับคนเราเนี่ยถ้ากินไม่อิ่มนอนไม่หลับขับไม่สะดวกเนี่ย มันพื้นฐานชีวิตก็มันก็ไม่ดีครับต้นทุนชีวิตไม่ค่อยดีมันต้องกินอิ่มนอนหลับขับสะดวกไม่ใช่ขับรถขับถ่ายสะดวกมันก็มีความสูกในขั้นหนึ่งแล้วว่ากินอิ่มนอนหลับขับสะดวกเนี่ยโอ้พอแล้วพื้นฐานชีวิตถ้าทำสามอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยโอ้สู้แมวไม่ได้นะแมวมันสบายเลยเรามนุษย์ต้องเหนือแมวต้องกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายสะดวกเนี่ยต้องอย่างนี้ก่อน ไอ้นอนไม่หลับเนี่ยมันมันเป็นเพราะความคิดซะมากมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งวิตกกังวลยิ่งนอนไม่หลับยิ่งหงุดหงิดแม้ถ้าไม่หลับพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้เราจะอ่อนกําลังเราจะปวดศีรษะสารพัดคิดไปเรื่อยมันก็เลยไม่หลับเลยยิ่งอยากให้หลับมันก็ไม่หลับนะยิ่งอยากให้หลับมันก็ไม่หลับเพราะเราทําหน้าที่นอนไม่ถูกต้องเพราะทำที่นอนแล้วก็มีความหวังผลว่าอยากให้มันหลับ ไอ้ความอยากให้มันหลับเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาของการนอนแหละมันเป็นตัวตัณหาความอยากให้มันหลับมันไม่หลับก็คือไม่หลับถ้ามันจะหลับก็หลับของมันเองร่างกายเราบัคับบัญชามันได้ที่ไหนล่ะจิตใจก็เหมือนกันมันก็จะคิดสระพัสอย่างเก็บเอาเรื่องราวในแต่ละวันมาคิดคิดคิดทำให้เรานอนไม่หลับเล่นๆใช่วิธีนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นวิธีที่ ง่ายตละ บ, บุคคลทั่วไปแต่ว่านอนให้หลับนี่มันยากมากยากมากนอนให้หลับแต่ไม่แยหรอกมันจะยากแค่ไหนมันก็มีทางออกของมันเวลามันนอนไม่หลับอย่าไปงุดงิดอย่าไปพยายามฝืนมันมันไม่มีทางว่าจิตตอนนั้นเป็นจิตที่มันไม่ป ก, กติละจิตมันถูกบีบคั้นลวยังไงก็ไม่หลับอ ย, อย่าไปนอนอย่าพริกไปพริกมา มันลำกาลุกขึ้นมาทำอะไรซะจะไหว้พระสวดมนต์จัดของเล็กน้อยถ้าเราไม่คิดว่าเราอยากจะหลับหรือไม่หลับเนี่ยเดี๋ยวมันก็ง่วงเราคิดอยากจะหลับปับ๊บเดี๋ยวมันไม่หลับวิธีการทำให้มันหลับก็คือเราเตรียมตัวให้ดีทำหน้าที่นอนให้ดีที่สุดทำหน้าที่นอนนะไม่ใช่ทำหน้าที่หลับนะทาหน้าที่นอนนี่เป็นการสร้างเหตุ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 กลัวมันจะไม่หลับอยากให้มันหลับไม่มีทางหลับะมันยิ่งถูกบีบคั้นใหญ่เลยทำหน้าที่นอนเป็นการสร้างเหตุให้ดีที่สุดส่วนจะหลับหรือไม่หลับนั้นเป็นเรื่องของเขาต้องตัดตอนรู้จักตัดตอนชีวิตมั่งที่ปัจจุบันตอนคือนอนชี่อนาคตคือจะหลับไม่หลับเป็นเรื่องของเขาเนี่ยตรงนี้ละ่ะเราทําอย่างนี้ดูสิบางทีเราก็เอามือวางไว้ที่หน้าอกเนี่ย ท, ที่ท้องก็ได้เอา นิ้วสัมผัสกับท้องเบาๆหลับตาบัสัมผัสเบาๆรู้สึกเบาๆกล่อมจิตกล่อมใจให้มันหลับนี่สมัยเด็กๆเราคุณพ่อคุณแม่เราคุณแม่เป็นผู้ที่กล่อมเราให้หลับตอนนี้คุณแม่ไม่มีแล้วก็กล่อมตัวเองเอามือสัมผัสเนี่ยแต่เบาๆรู้สึกเบาๆทำเพื่อจะหลับเบารู้บ้างหลงม้างรู้บ้างลบ้างหลับปุ๊บเลย สังเกตตัเนี้รู้มั่งลงหลับเลยเมื่อก่อนผมก็เคยนอนไม่หลับนะตอนที่ป่วยใหม่ๆเนี่ยก็นอนไม่หลับคิดมากเนี่ยผมใช้วิธีเนี้บัดเบาๆหลับเนี่ยไม่อยากตื่นเลยเนี่เวก็หลับไม่อยากตื่นแล้วพอตื่นมาต้องโอ้เจอสภาพร่างกายที่มีการสมัยก่อนนะหลับแล้วหลับเลยก็ดีหลับไม่ต้องตื่นก็ดีนะเออ เราก็เลยฝึกอย่างเงี้ยเอามือสัมผัสเนี่ยรู้สึกเดี๋ยวมันก็หลับไปเองนี่มันเอาการจรติตสติมาใช้ก่อนจะนอนก็ได้ถ้าหลับไม่ตื่นแล้วก็ไปสู่สุขติถ้าหลับแล้วตื่นแล้วก็ตื่นมาสดชื่นแจ่มใสทํางานต่อไปได้ดีทั้งสองอย่างเป็นการฝึกจิตไว้จิตก่อนจะหลับกับจิตก่อนจะตายเนี่ยมันคล้ายๆกัน ไปจิต ท, ที่สงบนิ่งคล้ายๆกันจิตก่อนจะหลับจิตก่อนจะตายเราจะทำไงที่ให้จิตมันหลับแบบปกติโดยที่ไม่ต้องคิดหรือใช้ยานอนหลับนั่นแหละเวลาเราตายก็จะเป็นอย่างนั้นจิตมันจะดับตอนนั้นแหละแต่เวลาเราหลับนี่มันไม่ดับมันก็จะผ่อนคลายเป็นตกภวังของจิตมันหรือเราเบื่อเศร้าเหงาเซงไม่มีอะไรทาไม่ยากเลย เนี่ยอาศัยให้การจริตรกับการใช้ชีวิตนี่แหละหาอะไรทําสักอย่างหนึง่งไอ้ที่เราเราเหงาเพราะเราไม่มีอะไรทําลองทําอะไรที่ไม่เหงาเลยบางคนไม่รู้จะทาอะไรก็หาทดํดิถ้าไม่หาทํเนี่ยมันไม่มีอะไรทําหรอกนะต้องหาอะไรที่จะทาหาอะไรที่จะทาแล้วก็เอาใจอยู่ตรงนั้นละฝึกจิตฝึกใจอยู่กับงานตรงนั้นะ่ะมันก็หายเหงานะไ้โรคเหงาไม่มีนะ เพราะเองถูกจํากัดอยู่บนเตียงไปไหนมาไหนไม่ได้สมัยก่อนเนี่โอ้เหงามากทําอะไรก็ไม่ได้มันเหงาอะ่ะมันก็ถูกความเหงามันรุมเราทําให้เราเป็นทุกข์มากมายแต่พอเราฝึกเจริตสติในชัวจำวันอยู่บนเตียงเนี่ยพริกไปพลิกมาจับนู่นจุวยนี่ไม่มีอะไรทําก็ผ้ามาคลี่แล้วก็หอมอย่างมีสติมันหาเรื่องที่จะทําทมันความเหงามันเข้าไม่ได้เพราะมีอะไรทํามีกายเคลื่อนไหวมีใจรู้อย่างเงี้ย ความเหงาความเหงาความเหงามันแทรกไม่ได้อเราต้องหาอะไรทําอะไรก็ได้แล้วก็จิตเข้าไปรู้อยู่ตรงนั้นมันก็หายเหงาเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าหน้าตาความเหงามันเป็นยังไงเป็นไงนาะความเหงานี่เมื่อไหร่มันจะเหงาตัวทีเนาะมันหาเรื่องที่จะที่จะทําทําอะไรไม่ค่อยไหวก็ทาอย่างอื่นม้างกันเนี่ยพิกไปพิกมา มันก็หายเหงาหา ย, หายสิงนี่มันแก้โรคเครียดโรคซึมเศร้าได้ไอเหงาบ่อยๆเนี่ยมันระวังจะเด้ต่อไดโรคซึมเศร้าเวลาเกิดความซึมเศร้านี่อย่ายไปใช้า ย, ยากินวาซาบิเข้าไปมันก็ตื่น <c oughs> เคยไ้มโอวาซาบิทาให้จิตตื่นได้นะมันเหงามันซึมเศร้ากินวาซาบิกินซูชิก็ได้จิ้มวาซาบิมากๆดูสิ มันจะน ต, นตื่นรู้แบบตื่นตือนรู้ได้สูชิเกนะ่งถ้าขาดสตินี่สูชิมันเข้าถึงสมองไงนะถ้ามีสตินี่ ม, มันตื่นรู้ได้สูชิลองใช้ดูนะแก้โลกซึมเศร้าได้นี่แหละเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการฝึกสติกับการทำงานรู้อยู่กับปัจจุบันรอคอยใครสักคนนึงก็รออยู่กับปัจจุบันเขาจะมาแต่เมื่อเขามา เขไม่มาแต่เมื่อเขาไม่มาแต่เรารู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันได้ปฏิบัติธรรมในขณะรอคอยนอนไม่หลับก็รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันแบบการทําหน้าที่นอนให้ดีที่สุดส่วนผลจะมาหลับหรือไม่หลับนั้นไม่เกี่ยวบังคราตอนกันเวลาเหงาก็หาอะไรทําด้วยความรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้พอเหงาขึ้นมาก็อ่าอินเทอร์เน็ตทีวีหนังสือเราไปพึ่งสิ่งภายนอก มันก็ต้องเสียเงินเสียเวลาต้องรอต้องลุ้นโอ้เสียเวลามากพยายามพึ่งตัวเราเองให้มากๆนี่ละการเจริญสติยังพึ่งตัวเราเองได้อันนี้มันทำให้เราเกิดความสุขได้นะเนี่ยในขณะที่เรารอคอยรอยไม่หลับก็สุขได้ที่จริงความสุขเนี่ยมันมันอยู่ไม่ไกลตัวเราหรอกอยู่ที่ใจเราเองถ้เารู้จักวิธีคิด มีมุมมองวางจิตวิญญาถูกต้องแล้วก็พบความสุขได้ง่ายเจอความสุขได้ง่ายมีญาติ่รรมคนหนึ่งเขาดูแลอากงอกงนี่จะต้องมาฟอกไตทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งเขาดูแลอยู่เขามีอาี่พากงมาฟอกไต เขาชื่อบุญมาเนี่ยฮะเราตัวอย่างชื่อนะเขาก่อนจะไปฟอกไตเนี่ยเขาจะพากรงมาที่ชมรมเพื่อคุณธรรม <c oughs> มาเพราะว่ากงนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเพราะได้ออกจากบ้านบ้างอายุต้องแปดสิบกว่าแนละ้วออกจากบ้านมาที่ชมรมสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> โอ้เขามีความสุขแล้วจึงจะพาไปฟอกไตอ้าว ล้คุณบุญมาถ้าหากว่าเวลาที่อกงไปฟอกใตเวลาอื่นเนี่ยใครเป็นคนพาไปก็คนอื่นพาไปมีคนหลายคนเข้าคิวเนี่ยวันเนี้ยพุทธเนี่ยมันเป็นเวนหนูเวนหนูพามาเปล่าอย่าใช้คําว่าเวนหนูเปลี่ยนวิธีคิดสมัยบุญหนูบุญหนูเชมันเป็นบุญหนูนะเนี่ยเพราะคุณบุญมาเวลาพากงมาเนี่ยอากงนี่สดชื่นรักอากงไหมรัก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 บอกคุณมากับบุญคุณสอนอากงให้ฝึกสติขณะฟอกตฝึกสติขณะฟอกตทํทำได้ไหมเอาบอกกลองฝึกดูเนี่ยอากงนี่ผู้ภาษาไทยไม่ได้ไม่เข้าใจภาษาไทยค่ายคุณมากับบุญเดียเป็นคนสอนเนี่ยเวลาที่หมอกลาลังฟอกตากลังทำอะไรกับเราเนี่ยอย่าไปสนใจนะเนี่ยมารู้สึกตัวกับการถูนิ้วมือเนี่ยดูมันรู้ตรงเนี้ย รู้สึกอาใจอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกรู้สึกหมอให้ทําอะไรเรื่องหมอเรื่องเราคือรู้สึกตัวเอากรงทํำสิบอกเขาถูมือรู้สึกไหมรู้สึกเนี่ยอย่างนี้หล่ะเราทําสิรู้สึกไหมรู้สึกเนี่ยทําเนี้ยเรื่อยๆไปหมอจะมาทําอะไรเราก็รู้สึกอย่างนี้หล่ะแล้วเวลาที่ระหว่างนอนรอจะกลับบ้านเนี่ยเนี่ยมนรู้สึกเนี่ยนอนถูนิ้วมือแล้วก็รู้สึกตรงเนี้ยจรสติแปลการสัมผัสนิ้วมือเนี่ย ให้อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยโอ้ไปฝึกได้ไม่นานอ่ะนะเนี่ยคุณมากระบุญบอกว่าอากงมีความสุขมากขึ้นขณะฟอกไตและไม่ปวดเวลาที่รอกลับบ้านด้วย <c oughs> บอกแสดงว่าได้ผลน้าอายุแปดติดเนี่ยรู้สึกตัวสัมผัสีนมือแล้วมีสติมีสติเขาก็ได้ผลเนี่ยคนป่วยคนไข้ใช้ได้นะเนี่ยเวลาหมอทำอะไรหรือเวลาเครียดเวลาทุกข์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 จิตใจเขาก็ป่วยด้วยเพราะอะไรเพราะว่าขาดสติไม่มีความรู้ตัวเพราะร่างกายป่วยไขย้ปับใจมันก็ผสมลงเข้าไปเลยทุกทางกายทุกทางใจทุกทั้งสองเลยนะท้าที่ความป่วยไขยใ่ในเรื่องร่างกายแท้ๆใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้แต่ใจไม่มีเครื่องอยู่มนเลยหันมาอยู่กับความทุกข์ทางด้านร่างกายเอาสติ เอาความรู้สึกตัวไปเครื่องอยู่ซะสติไปเครื่องรักษาใจให้อยู่เป็นปกติแม้ว่าร่างกายจะป่วยไข้ยงั้นใจมันก็ไม่ทุกได้เหมือนกันใจจะได้ไม่มารวมอยู่กับร่างกายอยู่กับความรู้สึกรู้สึกเนี่ยอยู่กับการเคลื่อนไห ว, วล้วนมันก็หายหายป่วยได้ทั้งนั้นจิตใจมีประโยชน์มากมันนี้มีประโยชน์มากเราสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจวันเลย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 ต้องฝึกตรงนี้ด้วยต้องมีความรู้เรื่องธรรมะเนี่ยเพราะบางทีคุณพยาบาลคุณหมอทนะี่ต้องสอนสัจธรรมคนไข้นะเนี่ยต้องสอนสัจธรรมคนไข้ด้วยไม่ใช่ว่ารักษาร่างกายอย่างเดียวแต่ใจคนไข้เนี่ยไม่รู้เรื่องความจริงของชีวิตไม่รู้จักสัจธรรมเร่องรก็สอนออเนี่ยร่างกายเราเนาะความเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่หล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความตายไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความแก่ไปได้มองเขาเห็นว่าไอาการป่วยไข้มันเรื่องธรรมดาของทุกชีวิตต้องสอนต้องแนะนำด้วยความมั่นใจแม้เราเองทำไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแนะนำผู้อื่นเขาให้เขาได้มีอนุสติตรงนี้นึกถึงตรงนี้ บางทีเราทำไม่ได้แนะนำเขาบางทีเขาทำได้ก็มีนะอย่างผมเดินจงกรมไม่ได้หรอกแต่แนะนำคนเดินจงกรมเนี่ยรู้สึกตัวได้เหมือนกันนะมันแปลกนะอุตลิเปนหน่อยบางอย่างเราทาไม่ได้แต่เราแนะนำเขาเขาอาจจะมีบุญวาสนามีจริตทำได้ขึ้นมาก็ได้มันต้องลองต้องสอนเขาต้องให้กำลังใจคนไข้เป็นคนหมอคุณพยาบาลให้กำลังใจคนไข้ เพราะคนไข้เนี่ยถ้าจิตตกไม่มีกาลังใจเนี่ยยาเขาก็ไม่รับเขาจะต่อต้านแล้วก็แอนตี้เราร่างกายก็จะไม่ค ด, ดีกำลังใจเขาดีให้กำลังใจให้ำัำแนะนำช่วยเขาพูดอะไรไม่ได้ก็ยิ้มใส่คนไข้แก้เจอรอยยิ้มเนี่ยคนไข้ก็หมดเนี่ยหรือว่าหมดทิฏฐิมาน่าไปต้องเยอะคนะลายทุกข์ไปได้ด้วยรอยยิ้มของเรา แนะนําให้กําลังใจเวลาคนไข่าบางค น, นมีอาการเจ็บป่วยทุกขเวทนารุนแรงคุณหมอคุณพยาบาลจะช่วยเขาอย่างไรเรื่องแบบนี้เนี่ยตรงนี้สําคัญไหช่วยเขาให้เขามาสนใจสื่ออื่นซะโดยการที่เอาจิตออกจากทุกขเวทนาเนี่ยสัมผัสมือสัมผัสมือเขาเลือ่อูบศีรษะเขาบีบไม้บีบมือบีบเท้าให้เขาเอาใจมาสนใจตรงนี้ซะเขาจะได้ วางจากทุกขเวทนาทางกายได้ช่วยขณะหนึ่งแล้วก็ทํำบ่อยๆให้กําลังใจเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายเนี่ยมันเป็นได้ก็หายได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แท่งแท้แน่นอนหรอกเนี่ยไม่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงมันป่วยที่มันก็หายป่วยเนี่ยสอนจ ะ, จะทำแนะนําให้กําลังใจอันนี้ช่วยได้เนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลจะต้องมีความรู้เรื่องแบบนี้โดยเฉพาะ คนไข่ของเราเนี่ผมว่ามันไม่เกินตัวเราหรอกใจเรานี่นแหละคือคนไข้ใน <c oughs> ไอ้คนไข้ข้างนอกเ่ยเราดูแลเขาก็พอสมควรแต่คนไข้ในของเราเนี่ยคือจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นคนไข้ในมันเป็นโรคตดนันจิตใจเรียกโรคทางจิตวิญญาณโรคเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์นะแม้แต่คุณหมอคุณพยาบาลเองเจ้าที่เองก็เจอโรคนี้ จิตแพทย์เองก็เจอโลกเนี้ยคนไข้ของจิตแพทย์ก็คือใจคุณหมอนั่นแหละต้องดูแลก่อนเป็นคนไข้ในบางทีมันคิดสลรพัดอย่างมันท้อแท้หมดกาลังใจในขณะทํางานก็มีนะเนี่ยมันเกิดความโกรธความเครียดก็มีนะนี่แหะคนไข้ของเราคือใจเรานั่นแหละเราต้องดูแลนะดูแลด้วยกรรมฐานบางทีทํางานไปแล้วมันไม่ได้ผลแล้วก็เป็นทุกข์ ก็จกความคิดอัตตาตัวตนคือคนไข้ในของเราเน่แหละเป็นอัตตาตัวตนยอมใครไม่ได้ติดดีทำดีแล้วใครไม่ว่าดีก็ไม่ได้ใครไม่ชมก็ไม่ได้ไม่ได้สองขั้นก็ไม่ได้เพราะว่าคนไข้ในเราเนี่ยต้องรู้ให้ทันมันต้องอศาศัยการทำกรรมฐานกรรมฐานต้องดีคือมีสติรู้ให้ทันจิตทันใจของเรา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 ความเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้ที่จิตใจก็รู้ทั น, นสติรู้ทันปัญญารู้แจ้งว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่เราเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเรื่องของมันนะันก็สบายใจเรื่องของเราก็ต้องแบกหนักเป็นตัวเป็นตนของเราโรคทางจิตวิญญาณที่มาความคิดเนี่ยมันน่ากลัวทำให้เราไปฆ่าตัวตายได้ลดจิตวิญญาณ และเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาในสังคมปัจจุบันเนี่ยคือโรคทางจิตวิญญาณต่างกันโรคทางจิตท่างกันอ่ะมันสร้างปัญหาสารพัดเนี่ยความรักความเกลียดความโกรธความกลัวอิจฉาริษยาขึ้หังหวงหวัดระแวงเนี่ยน้อยเนื้อต่ําใจหมดกําลังใจตัวตนเนี่ยโรคทางจิตวิญญาณต้องบําบัดก่อนเป็นคนไข้นายนต้องรักษาตรงนี้มันก่อนเนี่ยเพราะมันทําให้เราต้องเป็นทุกข์ ทั้งปัจจุบันและในอนาคตตรงนี้นะเนี่ยกรรมฐานเนี่ยสำคัญมากคือการมีสติรู้เท่าทันจิตนใจตัวเองในขณะที่มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาทางจิตใจเนี่ยสำคัญเลยล่ะเนี่ยก็จะมีตัวอย่างในโรงพยาบาลเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเ่สามีเป็นแพทย์ทางเลือก ภรยาเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน <c oughs> มันก็ขัดกันเรื่องรักษาอยู่แล้วและ <c oughs> มันมันมีสองแผนไปแล้วเรียนมาไม่เหมือนกันกละสาบันนะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นแพทย์แผนปัจจุบันมันก็ไม่ลงกันทนะเลาะกันหยุดอิทธิติมณะใสกันลูกอายุสองขวบป่วยเป็นไข้ขึ้นมา เนี่ยลูกสองขวดถ้าเป็นไข้ขึ้นมาไม่รู้ว่าแพทย์สองแผลนี่ตีกันใหญ่เลยทะเลาะกันใหญ่ลูกที่ป่วยมันจะรักษาด้วยวิธีไหนดีก็ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันเอาความเป็นนายแพทย์ลืมความเป็นพ่อที่จะรักแล้วก็เมตากับลูกห่วงใหญ่ลูกเอาความเป็นคุณหมอมาลืมความเป็นคุณแม่ของเราซะ จนไม่รู้ไม่ได้ดูแลลูกเนี่ยทิฏฐิมานะตัวนเนี้ยมันยอมไม่ได้ยอมกันไม่ได้เพราะทิฏฐิมานะตัวตนเพราะว่าความรู้เสมอกันถ้ารู้จักยอมว่าแพทย์แผนไหนก็รักษาได้จากนั้นแหละคืออยู่ว่าโอกาสเอาจุดศูนย์รวมจิตใจที่ลูกซะมันจะได้ไม่ต้องไปแบ่งว่าแผน น, แนู้นแผนนี้ความรักความเมตตานี่สำคัญมาก ต้องดูแลตรงนี้ก่อนอย่าลืมนะเนี่ ย, ยการทํางานเนี่ยไม่ใช่ว่าทํางานเพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวไม่ใช่ทางานเพื่อเลี้ยงชีพมันเดียวการทํางานเนี่ยถ้าเราอาศัยกรรมฐานมีสติรู้ทันจิตในปณปัจจุบันเราก็จะรู้ว่ามันสามารถพัฒนาจิตใจเราได้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 ล้วก็จะมีความสุขในขณะทำงานในการใช้ชีวิตด้วยเวลาเกิดความโกรธอย่าเพิ่งพูดอะไรถ้าพูดตอนนั้นเนี่ยมันเสียสถานการณ์อาจจะแย่ลงเวลาโกรธอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าเพิ่งทำอะไรเนี่ยจะเย็นไว้ก่อนร้อยความโกรธมันหาไปก่อนไปทำไปพูดเข้าเนี่ยจิตที่ถูกความโกรธบีบคั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องรุนแรงทั้งนั้นนะไม่ก็มีเหตุผลนะให้มันหายไปก่อน แล้วค่อยทําค่อยพูดมันจะดีกว่าเนี่ยไม่ออย่างกับเราเรือเนี่ยออกเรือตอนที่มันมีพายุรุนแรงเนี่ยมันอันตรายเวลาโกรธเนี่ยเวลามันทําอะไรตอนตามวางโกรธเนี่ยอันตรายเหมือนกันไม่มีเหตุผลไม่ได้ตัวตนให้เมตสิรู้ทันความโกรธซะน้องนี่จิตมันโกรธแล้วเนาะออมันโกรธเนี่ยมันร้อนอย่างนี้เนาะออมันเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้เนาะ มันกระวนกระวายแบบนี้นะมันทุกเนี่ยจิตโกรธเปนจิตทุกจิตมันรอ้อนพอรู้ทันปรับเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไปเนาะมันหายไปไหนแล้วความโกรธแต่แล้วมันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกนี่เห็นจะจะทำเลยเห็นไตร ล, ลักษณ์กว่าไม่เที่ยงกว่าเป็นทุกกว่าไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงเนี่ยเราบรรลุธรรมในะขณะโกรธก็มีสิทธิ์นันนไงเพราะงการงานเนี่ยมันพัฒนาจิตใจ